ไป <c oughs> อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรา น, นี้โอ้อำนาจแห่งธรรมนี่สำคัญมากนะเป็นเครื่องดึงดูด จ, จิตใจของผู้ไปศึกษาวมกับท่านได้เป็นอย่างดีนิพพานเหมือนอยู่ชั่วเอื้อมอืมอยู่กับท่านนะดูพระ อ, องค์ไหนองค์ไหนวันนี้มีท่านเป็นหัวหน้าเป็นล่มโผล่มใส่ใหญ่หลวง บรรดาผาเนรทั้งหลายที่มุ่งหน้าต่อตอตัตถธรรมอย่างยิ่งไปอยู่กับท่านมององค์ไหนนี่เหมือนผ้าพับไว้ผ้าพับไว้นี่เราก็เคยพูดในหมู่เพื่อนฟังเราไปที่แรกไป <c oughs> แล้วก็ดูพระดูเนนเนนไม่มีละดูแต่พระกับท่านท่า น, นลำมากนะแปดองค์เก้าองค์เป็นอย่างมากนะนี่เรียกว่าท่านลำมากที่สุดในสมัยนั้น มาแต่นี้มันก็จําเป็นไหลเข้ามาฉะนั้นไหลเข้ามากมา ก, กว่านั้นอีกจะก่อนท่านอยู่องค์เดียวสององค์พระที่อยู่กับท่านอยู่หนึ่งองค์อยู่กับท่านเรานั่นแรกไปอยู่ข้างนอกท่านไม่ให้มาอยู่ใกล้กันนะนี่ท่านอาจารย์ฟันเราให้ฟังด้วยสําหรับท่านก็เล่า่างยี่ปีเปียบไม่ละเอียดทั่วถึงแต่ท่านอาจารย์ฟั่นเล่านี่แม่ละเอียดมากอี๋ ท่านเล่าละเอียดมาเพราะควรที่จะได้ละเอียดถ้าท่านพูดเฉพาะท่านเองมาพูดมีโลกของเขามันก็มีสมมติสมมุติมันจะแย่งไปกินกันหมดหาว่าท่านโอ้ท่านอวดเข้าใจไหมล่ะท่านครัวโลกมันจะเป็นเป็นภัยท่านก็ไม่พูดเสียแต่ท่านอาจารย์ฟั่นมาพูดนี่ซิมันน่าฟังไปอยู่กับท่านนี่ท่านว่าโอเอากจริงนะท่านนี่เรียกว่าเต็มร้อยเปอร์ ความรู้ของท่านภายในใจร0อยเปนท่านนำออกใช้แย่ผู้ปฏิบัติใกล้ชิดกับท่านนะไปนั่งคุยกันที่ไหนนั่นแหะฟังกินอ่ะลงไปท่า น, น้ำหรือแอ่นน้ำอยู่ในผู้ในเขาอีสององค์สามองค์บางทีบางทีก็มีพระอยู่ท่้งอื่นมีนั่นแหละแห่งละองค์สององค์ทีนี้เวลา ไปคุยกันในท่าน้ํากันว่าไปอาบน้ําในแอ่งหิ น, นอะไรไปเรื่องราวอะไรอะไรนี่คิดว่าจะไปเที่ยวทั้งนุ้นปรึกษากันเรื่องไปเที่ยวอันนี้ที่มันเร็วมากที่สุดเลยนะเร็วรวดเร็วมากพอไปไหนเนี่ยพกขึ้นไปนะไหนนี่เจะไปเที่ยวที่ไหนเอาเร็วนะคือถ้าไม่ดีท่านก็บอก ไม่ดีสู้ที่นี่ไม่ได้ท่านบอกเลยนะทางนั้นไม่ต้องพูดอะไรพูดกันแล้วอยู่ประซิบประซาบกันอยู่นูน่นในเหวคุณท่านนั่งอยู่นี่ท่านได้ยินแล้วนั่นดีอะไรสู้ที่ไม่ได้เนี่ยท่นวางกันอะไรพูดที่ไหนทำทำไม่ควรท่านจะบอกกันทีโดยเราไม่จะพูดอะไรกับท่านวางกันนะเพียงประซิบประซาบกันบ้างที่จะไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้เอาเลยคอยฟังก่้น เขาไปนี่ก็เปี้ยงแล้วนั่นเห็นไหมตาทิพก็มีหูอย่างที่พวกเขาว่าท่านเป็นเสือเย็นนั่นก็เขาพูดในในบ้านเขาเก่งไหมนั่นอาจารมาชรงสูงนี่ไปคู่เป็นคู่ตายกันไปนี่สมาเรามาว่าจะมาพักที่นี่เห็นว่าสะดวกสบายกับพวกเขาหมูเสือเขาเห็นว่าเป็นที่สะดวกสบายแต่ถะทําไมเขาจึงเป็นอย่างนี้อยู่นั เขายังไม่เคยเห็นพระก็ะเห็นใจเขาฟนะังจีน่ะกลาคืนเขาประชุมกันมีสี่ห้าหลังคาเรือนตัางประชุมกันนี่เสือเย็นมาอยู่ที่นี่แล้วสองตัวนะไม่ได้ว่าพระสององคจาง้างมีเสือเย็นมาอยู่ที่สองตัวนะเราต้องระ ว, วังระวังนะเสือเย็นหมายถึงว่าพระที่เป็นไัยเป็นอันตราย ต่อบ้านของเขาความหมายว่าไงแล้วแล้วก็บอกกับบ้านของเขาเอางนะทัานอยู่ไหนป่าท่านจะไปสนใจเลยพูดกับเขาก็ถึงขึ้นมานี่ยทำมาหาเราก็ตั้งใจว่าจะอยู่ที่มีสะดวกสบายไม่เป็ น, นกังวลกับผู้ใดใดอันนี้เรื่องก็เกิดแล้วนะ ถ้าเราไปที่นี่พวกนี้จะตายแล้วจะเป็นจักเป็นเสือไปหมดไปลดดแล้วนี่เขากําลังโยกโทษเราอย่างแรงนะวางั้นนะเขาบอกว่ายกโดทเราอย่างแรงเขาไม่พอใจให้ไปอยู่ที่นั่นบอกว่าเสือเย็นไม่อยู่ที่บอกห้ามไม่ผู้หญิงผู้หญิงไปแถวนะั่นชวนผู้ชายให้ไปดูลาดเราขงเสือเย็นนี่ทําะไรกันอยู่ให้ไปดู จัดคนไปดูวันละสามคนสามคนไปดูก็จอมโง่กับจอมปากอืจอมปากก็คือขั้นจอมโง่ก็คือเขาเองไปดูก็ดูอาปากใช่ไหมฮะฮไปดูจอมปากเนาะเวลาเขาไปเขาไม่สนใจเนาะเพราะรู้จังหัวใจแล้วว่าเขาก็เขากำลังชืออะไรว่าเป็นไผ่พูดอะไรเขาก็ถือเป็นไผ่หมด จะแสดงออกมาไง้เนี่ยข้างระวังหมดเนี่ยคือแสดงอะไรก็ไปเขาจะถือเป็นไผ่อย่างนี้เขาไม่ถือเป็นคุณมเ่ยเขาถือเป็นสัตว์พวกเขาเอาทนเลยนะมาสงสารพวกเนี่ยอยู่ๆเขาจะตกนรกเลยหลงนั้นบอกกลุ่มเลยนะถ่าว่าเราไปเสียตามพรมเพื่อแช่งเขาทีตายก็จะเป็นสัตว์เป็นเสือเป็นตกนรกทนทนเอาเนีนเอา เขาจะมีวันซื้อฟังที่ไหนตอนนี้เขากำลังซุบลงมากเราต้องช่วยฟื้นเขาด้ในการทนอยู่เอาอย่างนี้แนี่ยไปวิงสบ่างได้อะไรเขาอะไก็ทนออกสันออกได้เลยฉันคนนั้นเนี่อยากมีวขาก็ให้ไปเนี่ยพอได้สันก็ออานต่ก่อนก่อนบ่ายมาก่อนบ่ายก่องเดินมา ก็ทั้งกับาติของท่านทศาจะอยู่กดแขวนกดใหไมเขายกวในกุ้งไวขพ้วอะไที่มันร่วงเรยองมาท่านเอามาแยกมุงสิ่งที่ไม้สำคัญต้นไม้น่ะมันก็ทําหมือกันอย่างนี้เขาก็มาดูทุกวันทุกวันเนี่ยท่านพูกเองน่างนี้แล่าพู เจอป่าของเขาเวลาสรงยู่ป <th> so so ่าฉัม่ส้างหน้าหลังการจะพูดเรื่องเขานาะก็พูดไปพูดไปมันผ่านในป่าในเขาในที่นั้นที่นี่มันก็เลยไปสองผ่นโี้ที่นี่พอตอนย่างเขาก็ให้ใ้คนของเขามาอยู่วันละสามคนผู้ชายผู้หญิงเขาห้ามผ่านไม่ให้ไปเพราะเสือย่างเป็นอันตรายมาก ก็มาอู่มาอยู่มาอยู no. ่นานพอสมควรแล้วก็ store, store. ึหัวหน้าเขาเขาถามแต่นยังไงผู้ไปยูเสือเย็นสองตัวนั่นก็ไม่รับฟเสือเย็นสองตัวไปยูเสือเย็นสองตัวนันเป็นยังไงคือเวลาอยู่เวลาเขามาเขาก็เซ้เซ้อากาภาษาของเขาท่านก็เดินจงกลทาไม่มองใคร ุงคีนั่งก่อนนั่งองคีก็เดินตัไม่สนใจไม่พูดเพราะคิดมันคอจะจะออกคือตลอดช่วงนั้นท่านจะแสดงอาการอะไรไม่ไดมันจะแสดงหัวใจเขาขนาดนั้นท่าบอ ก, กว่าวถาหัวใจคนท่าน ว, ว่ามั้ยนะเขาทำรู้อยู่ตลอดตรงนู้นคิดยัอไงดูไปงานทำงานเท่าไหร่หัวหน้าก็เลยถาม มันคงจะมีคนหนึ่งคนนั้นคงจะเชื่อชัยมากแต่มันไม่อาจพูดเฉยๆพอได้โอกาสแล้วก็พูดในวันนั้นเวลานั้นเนี่เป็นยังไงพวกจะไปดูเสือเงินสองตัวนั้นว่างั้นนะได้ผลยังไงว่างไปดูมาแล้วเป็นยังไงชื่อจันทร์ครับไปดูทุกวันทุกวันไปดูเหตุการณ์เสือเหินมันจะเคลื่อนไหว้ไปจิงวัวจิงคอายที่ไหน いい um มาจึงจับทีบกอดกระจาชนพวกผู้มเสืจับไหนว่างเอาความหมายว่างันนะที่คนหนึ่งมันคงจะเชื่อเชืมากมันก็ขาวมาอย่างรุงแรงนะแล้วเป็นไงไปดูสิเจ้าเป็นยางอามันก็อ่านี่ยพูดไปอย่างแรงเร่งลในวงบ้านข้องมาแล้วเจะาเป็นนางอาเสียอย่งเดียวเฉยเฉยอะไรคท่านนะ พเราเ่างมันจะตกนะลงมเขากระลุกเนียลเหมือนกันนต่างบ้านะเขากระลุกนโรลงเหมือนกันเดี๋ยวคืพวกเราจะจนะลหมดนะไปดูที่ไหนท่านสนใจกวเราไว้เลท่านเดินท่านที่นั่งนะครับหูรับการนี่เนี่ยคนจะเป็นภัยต่อโลกต่อสังคมมันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่สนใจกวกเราเลยจมีแง่ไหน่าจะเป็นภัยต่อพวกเรา เมื่อไปแบบนั่งหลับตาเฉยไม่พูดไม่คุยกับเราซืยอย่างเงี้เหมือนไม่มีคนต่างๆไปหาเขาก็เหมือนไม่มีคนเอ้ไปหาท่างเหมือนไม่มีคนถ้าไม่สนใจก็หมอกอาจารย์ ม, ม, มาสองตุแบบเดียวกั น, นเพราะฉันรู้ไปหมดเหมือนรู้ใครไงนั่นแหะทั้งแต่พราแมา่ครูอาจารย์เวลาท่านออกชายใครไงโธ่บอกเงาที่กลับมาก็พูดอย่างนั้นน ไปชีแล้วก็เห็นชั้นอยู่อย่างนั้นชี้ยางเสือเยืนจะ็อย่างนี้เถอะไปไม่ไได้ไม่ใช่เสือเยนยไม่ยืพวกเราจะตกนรกว่างนี่นะไปนี่ถามท่านไปไปถามท่านอยู่ที่ไานมาคนนี้แหละคนที่พูดบงบงอยู่มันโมโหเลยสร้างเขาไม่ถามท่านอยู่ที่ไมาพ่อให็นคนใอะไรมันก็จะยุ่งได้แล้วนี่ไปดูเฉยๆเยยไม่ยื้อมันตกนรกห่าเขากระลุกกระลั่งเหมือนกันจังหวะ เอาข้างกอ๋เอาอย่างนี้อ่ะบริษัจริงมาถามมีที่าทานนจอมปลัจะสอนจอมโง่กาลังจะตกนรกอยู่นั่นเขาก็มาหาอยู่หาก็จอมโง่มาหาจอมปลัดางงันจะดูทั้งนอกทั้งในอยู่เนี่ยเป็นยังไงทุกเจ้าจสบายดีเหรอถามอยาน สวายียู่ฉ <nên todo opened> right? ันก็ว่างฉันพูดเฉพาะคาเฉพาะคำเมื่อว่ายังไม่ถึงโอกาสทาท่านเปิดใบโวยแล้วท่านเตรียมพ้ออะไรนั่นจะจอมปากพยายามง่พยายามให้โง่ที่สุดอื่มาอยู่นี้เป็นยังไงชวายอยู่แล้วก็สวายอยู่แล้วแล้วทุกเจ้ามานี้ทำอะไรก็เขาไม่ว่าทำเนี่ยภาษาเนี่ยเนี่ยอะไร เงียแนั says, oh, this? This Never, ้าาเชิงใหม่เง like ียบหยังเดินเดินกลับไปกลับมาเนี่หัวห่าหยังเล้่มีนั่งหลับตาหนั่งห่าหยังคือใจกองคนะนั่งหาผู้โชผู้โหายอย่างไรอย่างนี้ผู้โชเป็นไงเขาก็สนใจอยู่ผู้โชเป็นยังไงผู้ชอยู่นเป็นยังไง เว้นสว่างสว่างเป็นดวงเป็นดวงท่านเอาใช้เองกว่านะเป็นดวงเลยจะเป็นเครื่อที่นี่แต่เรายังนี่เรายังหาไม่เจอหากอยู่ที่นี่อ่ะการชิดกับเราเนี้ยท่านว่ากําลังหาให้เจอพุทโธเขาก็ยิ่งสนใจอย่างที่นี้นะชื่อมาจัดฟิล์เราหายยางนะเขาสาในใจให้ได้โอกาสก็สอนพุทโธพุทโธเป็นไงโห้พุทโธเป็นดวงใสสว่างกระจ่างแจ้ง หายเงยใจถ้าเกิดากดเราไปเจอแล้วที่นเียจะเจอที่ใจนั่นแหละใจจะไปหาที่ไหนให้หาที่ใจเนีท่านก็ใหุ้โตใหุ้โธไอเนี่ยพูดจ้าหัวหน้าบ้านก็ไปทําใจเห็นก่อนเพื่อนนะเพราะไปทาตามชื่อว่าคือพวกนี้เจ่ากงมันกงจริงใช่ไ่ะชื่อก็ชื่อจริงเชื่อก็เชื่อจริงๆบอกไงมัก็เสืออย่างนั้นมันก็ไปทา ผู้จะยื่นขึ้นเป็นผลก่อนเพื่อนจุเจ้าเสือใหญ่แต่ว่าอย่างนั้นให้ทำยุ่ธิ์อย่างไรทำนี่พอไปทำํำจิตมันลงจริงๆนะอืแล้วท่านสอนนะเพราะท่านก็เห็นนิสัยของเขาอยู่นั่นแหละท่านดูภาษาอยู่นะ่ะฮึนี่พอสว่างจ้าขึ้นมาจิตพุ่งไปหา เสือเย็นเลยหาเสือใหญ่คือพ่อแม่กูใจมาน่ะตัวหัวย้าเสือหญ่ตัวมีสององพุ่งไปวุ้นที่ไหนได้สว่างจ้าครอบมดเลยไอ้เขาเนี่ยเสือใ่ยงไงเสือดสองใหญ่เลยนี่จิตมันไปเห็นนะมันไม่ได้เป็นเสือหญ่นี่สว่างครอบไปมดโัวกรซ่านี่เสือใยังไงเนอย่างนี้วอยวันนี้พกเราจะจมไปหมดนะตกนรกนี่มันใช่เสือหญ่นะเนี่ยผู้ิเศขึ้นรื่ เขาบอกว่าผู้วิเศแต่องหนไม่ถามมันพูดพูดองเดียวอาจารย์มหาต้องถูกเขายังไม่ถามเออแด่เวลาเขาถามก็น่าฟังมนะันเวลาเขาตอบเนี่ยถามเายี่มันก็ดึงปาอย่างหลงตบาบัวมันจะถามง่ายๆนก็ต้องถามแต่พูดถึงเรื่องนี้ติของหลวงหลวงทตเจ้าหลวงนี่สว่างข้อไปมดเลยมันเสือย่างไรอย่างนั้นของพิเศวิโส เห็นเนี้ยเห็นเนี้ยประกาศบอกกันเลยต่อก็มาหาทั้นท่านกะสอนเลยที่นั่นเหงนไหมเนี่ยที่นี่ท่านสอนเต็มเต็มหน่วยหมดต่างคนต่างไปทำโห้ยที่ไอ้ที่อยู่นั่นเน่ยเหมือนที่อยู่ของสัตว์นยเขามาทาให้หมดทั้งทำทั้งทำหนิอันนี้ก็เหมือนไอ้ลงหมูลงวัวเหมือนอะไรเหมือนสัตว์นอนอยู่ยังไงก็นอนนั่งไงก็นั่งทั้งทั้งทั้งทั้งทังทำหนิทั้งทาให้เนี่ยเขามาทาให้ดีเรียบเลย ทาตรงนี้แล้วก็ทำให้ีก็บางโอ้ยูไปงังดังกว่างหมดวันานี้เลียบหมดเลยเนะที่ลงหมดบ้านเลยเจ้าผู้จผู้ี่มันรู้จริงรู้ใจมันรู้ก็ทั้งสัตว์ที่มันมาเล่าให้ฟังสัวพวกหมูมากินนู่นแมันไม่เห็นพระสังหมูกิอยู่ในสวนมันไม่ได้หมืนหมูบ้านะมากิงเผือกมันไม่ได้หอ มันก็เพ่งไฟเผาออกมาล่างนั่นนะมันมาอร่อยว่างเพ่งไฟเผาหมูก็ขี้สลักออนั่ะมันเล่ากงๆนะคนอันนี้น่ะโกงไปโกงมาหมูขี้สลักออกมาเลยคือมันจิ้นอะไรนั่นแล้วเราก็เพ่งไฟเผามันหน่อนะตัวผู้เจ้าหญิงนะเอาจิ้แจ้เพ่งเผานี่เผาเนี่สลักออกไปไปตอนเช่าไปดูไปดูเห็นจริงจริ แล้วตอนเจก็เชื่อแล้วเชื่อก็รู่เนี่ยนะแต่เมื่อเช้าเอาพยานอีกทีนึ่งไปดูไปดูเป็นที่ที่มาขี่ลาาไปตามนะั้นเอามาเล่าท่านว่าโอยอย่าทําอย่างนั้นนะว่างั้นนะท่านสั่งสอนเลยอย่าไปทํางั้นไม่ได้นะมันมาตกนรกนะท่านว่านรกเขาขู่อยู่นะอย่าไปทำอย่างนั้นอันนั้นเขากินต่เขากินเสียป่วยเขากินเขาไม่มีที่กินเขาก็มากินต า, ามภาษาของเขาเขาไม่มีเจตนารายกับผู้ใดเลย เขาหากินตามภาษาของสัตว์เราเมีปัญญากว่าเขาเขาจะมากินจะกินอันไหนที่นั้นแล้วก็รีบเก็บมาไว้เสียอันไหนที่ควรหย่เขากินแต่เขายิ้มไปสงสารเขาอะไรก็ว่าไปคนมีความสงสารตายแล้วขึ้นสวรรค์นเนี่ยจันทรจนทร์งนั้นนะนคนไปทํำลายเขามีตายแล้วตกโลกมีเห็นไหมจอมปล่าเแล้วออกออกได้ชุกเนี่ยชุกมุลงมดเลยลงหมดบ้านเลยทีนี้อะไรดีมดทุกอย่าง ลงกันหมดทั้งบ้านเลยผู้ชายเนี่ยมันรู้จริงๆดูเจ้างั้นจิต ใ, ใจของไข่เนี่ยมันรู้หมดนะมันบอกองค์กเนี่ยนะมันพูดนี่แหละพวกเนี่ยนะมันซื่อมันเท อ, อะไรก็แล้วแต่มันเห็นหนวดิตใจของไข่ชเสหวผมฝังใสยังไงเห็นหมดแต่จิตตัเจ้าหลวงเนี่ยโอ้ยครอบโลกธาตุจ้าไปหมดเลยว่าไงนี่แหละลงกันหมดเลยทีนี้กับอาอีกนะพอเขาลงเรียบร้อยแล้ว ก็พอดีท่านจะกูทำมาจะดีไปนิมนต์ท่านไปนิมนต์ไปนิมนต์ท่านท่านจานมั่นี่ยมาวัดโถ ท, ทีจ่มผ่อดมาอุดอรมีหลยเรื่องราวกันทีเดียจะมาลาเขาเขาไม่อยอกให้มาแม่แนเหมือนเด็กนะว่าไงนี่ก็ทุกแสนทหารเหมือนกันเะเขานั่งเฝ้าหมดเขามีสี่บ้านหลังการเรือนมาหมดเด็กผู้ใหญ่มาเป็นลาเขาแล้ว แล้วเขาแตะบ้านมามาเลยเขามาทําปะตอพห้อยู่ให้นั่งฉันจังหันก็มีที่พักก็มีเรียบร้อยแล้วที่เวลาจะไปลาเขาเลยที่เขาก็แตกมาทั้งบ้านเลยเขาไม่ให้ไปก็ว่างเงี้ยเอยเฮาจะเผาเองเผาด้วเจ้าน่ะไฟเฮาก็มีว่างางี้ยเขาบอกไฟเฮาก็มีเขาจะเผาเอง เ, เ, เ, เอาดีนะแล้วก็เทียงกันย ไอ้จะพูดมีเหตุมีผลนี้เขาฟังหลายอย่างแล้วกเออตู้เจ้าอู้นี่ว่าน่าฟังนะว่าฟังแล้วเออให้ฉันไปใช่ไหว่าให้ฉันไปพอไปเขาก็จอยพอเตรียมของลงท่านจะฉันทงานแล้วจนบ่ายไม่ตกลงกันอืพอตกลงแล้วพอท่านเอาบริขารอะไรต่ออะไรเขาก็ขนบริขารไปไปลากเอากีวรกลับมาเฮาขึ้นไปก็ว่าลากขึากับเป็นมารังที่เกา่า มาสอนอีกของเต่าเนี่ยพูดว่าเขาลงใจเลยเออให้ขึ้นไปนะว่าไปอีกกับเจาะอีกพอไปก็ไปล่ากลับมาอีกไม่ยอมไม่ไปเหมือนเด็กร้องห่มร้องไห้นะไม่ยอมไห่ไปเอาซะจนบ่ายบ่ายถึงได้ออกท่นว่านะนี่แหละเวลาเขาได้ติดแล้วติดจริง ๆ, ๆร้องห่มร้องไห้ทั้งบ่ายเลยนี่ท่านเล่าให้ฟังถึงเรื่องพวกที่ท่ามีว่าท่าน่าเป็นเสื้อเย็นแล้วพูดอะไรมาหาเสือเ้อเย็นเหรอลืมแล้วนะ มาถึงเช้าเย็นนี่ท่านเล่าเองนะมันถึงชาติเก่งอะไรท่านเล่าเองแม่นยำจากนั้นหมาก็เลยไม่กลับไปจริงๆนะพอมาทางอุดอรนี่เลยไปสกลก็ไปเสียที่สะโกลเลยไม่กลับไปอีกนะเสียใจนะสงสารเจขาที่เขาลอ้อมหอ ง, ห อ, งหหอยององกันทั้งบ้านเลยเวลาเขาได้ติดได้พันแล้วโอ้เอ้าจริงๆนะ ลงไปนี้กี่ครั้งกี่โหนไม่น่าพอลงไปเดี๋ยเคฮึบลากกลับั้นขึ้นมาอีอย่าง เ, เงี้ยเาเบรคไปว่าตั้งกตเอาร่บผ่านสั้นยาวกันอยู่แล้วเขาก็ลงใจเอาอีเอาให้ส่งไปย่งมาอไปก็ ล, ลุมรอพอแล้วก็ฮึบเอาอีอยู่อยาง้กจะได้ไปตั้งบ่ายกันวาเนี่ะเขาลงใจเจ้าพุธยี่รู้จริงๆรู้ใจคนรู้จริงๆนี่แะคนนี้แะ เป็นตัวตั้งตัวที่อยู่ในบ้านนั้นลงหมดทั้งบ้านเลยนะอืแกเห็นจิตใจใครเห็นหมดตัง้งแต่สัตว์อยู่ในป่าแกก็ยังเห็นที่ดูใจคนนี้เป็นยังไงเห็นหมดใจใจใครเศ้าหมองใจใครมืดใจใครสว่างเห็นหมดนั่นนะใจเต่งขนานั้นนะนี่ผู้เจ้ายิ้เป็นผู้ใหญ่บ้านเขาหัวหน้าเรียกผู้เจ้ายิ้เรียกแล้ว แป่งไงเฉยๆก็มี้มั้งผู้ไรก็หมดแล้วหมดใส่หมดพุงแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วเอามาเลยก็หมดแล้ <c oughs> ลวนะส้หมดส ม, มดแล้วเราจะเลิกกันก็ได้แล้วเราวันนี้ก็วันอภิษฐานพรรษาทา้ตงหน้าตัางตาปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติให้เขร่งครับ ให้มีศาสนาทำมีหนประจำตนตลอดเวลาไปที่ไหนให้มีศาสนาติดตัวติดตัวนะอย่าไปเรสซ์ฟันบ้านใช่ไหมใดนะให้มีทำ ม, มีวียมสีสติติดตัวเท่ากับตามกระเด็ด ก, กับผู้ดเจ้าตลอดเวลาศาสนาอยู่ที่หัวใจก็มสีสติมีความภาคเพียรนะมาอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่นี่นะเวลาจ้าขึ้นก็ขึ้นที่นี่เลย ถาม ว, ว it, no ุฒิย่ที่ตรงไหนว่าไงไม่ถามไม่ได้เลยมันเป็นน้ำมหาวิมานิพานอย่างเดียวกันหมดถามตรงไหนเป็นอย่างเดียวกันหมดพระวุฒิย่อมีกี่องค์ถามหาอะไรนั่นเวลามันจ้าขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนั้นน่ะเวลามันมืดมันไม่เห็นนี่เวลาจ้าขึ้นมาแล้วน้ำมหามีมูลมหานิพานกว้างแคบานาไหนพระวุฒิย่อมีเกี่องค์ถามหาอะไรมันเป็นอย่างเดียวกันหมดนั่นถึงขั้นที่ไม่ต้องถามไม่ต้องถามนั่นล่ะ เูดชาทั้งหลายที่เราเป็นรูปร่างแต่นอนหนึ่งแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์มันเป็นน้ํามหายุกมหานิพานเ ห, ม, หมือนกันหมดเลยนั่นอาการจ ม, มานนะห่างใจปฏิบตัติเอาละพอออกอาการกลับห่างใจปฏิบตัติอย่าให้มีเรื่องมีราววันนี้ตั้งแต่สร้างบ้านมาไม่เคยมีเรื่องมีราวนะดูหัวใจมันกรดิบขี้แปรงเพราังไหนมันผิดไปที่ใจแต่เย็นนี้ว่ามันระงับทันทีเลยจะทรงประจํามันแล้วไปใหญ่นะเอาละเอา อันนี้ก็เทสพอสมควรได้ชั่วโมง5นาทีน้าว่าเทศนานมันว่า น, นานๆใจเทศทีหนึ่งอันนี้ไปซะเฮ้ยเอาไปซะอะไรที่ควรเอาไปก็ไปซะอะไรไม่ควรเอาไปก็ไม่เอาไปเอาไปแล้วเก็บส <c oughs> วัสดีกับเทศนี้ออกวิทยุแล้วนะคงออกทั่วประเทศ วันนี้ก็ตั้งใจ เ, เที่ยแยบทางนุน้นทางนี้หลายด้านหลายทางวันนี้มาไอ้ไอ้เ่ลไหนก็มีแต่กินกินในวันนี้ก็ยังไม่ทั่วึง่างมันเหนื่อยแต่ได้ถึงสองโมงหา้านีนะวัเดมาว น, นรมดาไม่ได้ประมาณสี่นาะทีเป็นที่ อี น, นี้เพิ่มโมงห้นานะคือเวได้นานเวอระยปีกายมาปีนี้ค่อยเบาเราทำเทพไม่มีใครเตือนเขาเกงใจกันเราพูดตามธเกงใจไท่ทาเหนือโลกลเรียนรรษาฝ้าเรนเล่มหนึ่งเท่าบีเท่าต้นเสาต้นเสามันพิลกพิลันไม่ใช่ธรรมาดาเรียนใครก็เรียนภาษาเียนภษา เรียบหนึ่งข้าต้มเสามันทําอะไรพี่นี่คื อ, คอไม่ดูว่าหนูเมืองเจ้าไปทําอะไรเทียนเรียบหนึ่งเนี่ยใส่รถก็เป็นรถไฟหนึ่งจะใส่ไปตั้งขึ้นยังกัจุดเม่นีแล้วใครจะเป็นจุดถึงล่ะเทียนทั้งสูงขนหนาดีเอากันหนทาทาอะไรให้มีเหตุมีผลจะทำถูกเด็ดดุมากแล้วเอาใหญ่อยู่นะอยูเรียบต่างด้านมาเนียกเลยไม่มีเทียนอย่างนั้นหนึ่งไม่ไมีหาเนียกเลยท่านเปียงเขาไม่รู้ พี่แจงเขาทราบจะเป็นอะไรไปก็ทําสอนโลกก็ต้องสอนว่ามันธาตุเพื่อนผิดภาพอาการใดสอนกันให้สูงมันจะผิดไปไหนทั้งผู้เทศทั้งผู้ฟังนำไปปฏิบัติมันก็เป็นมงคลวันนี้ชั่วโมงก็ผ่านเราทีนะ้ครับครับเป็นยังไงเราเทศวันนี้เดีวก็หมุนติ่วอยู่หน้าวันนี้นะเทศเรื่องเนาะเป็นก อ, <Yeah? S 2> องถามนะครับเนาะ ว่าชั่วโมงหนาทีหรว่าคือ่าจะบ่านดมากก็ไม่เคยมีมีเท่านี้เทนัแต่ได้ถึงชั่โมงห้านาทีเ่าน้เองอะไรวันนี้ขอจับขอมาหลงตาแล้วก็ขอบูชาลล้างหลวงตาเจ้าค่ะเออแรู้กับพ่อบ้า ทองหวนทองทองหวานพอดีแล้วังหลืองขังหลวงเราเหลืองอาามนทองทองหวานขังเหลือ ง, งเราหลืองอาา ม, ออ เ, อ เ, ออามเออนั่นเอาทองคมาก็าจะมีผู้เก็บประมาณนี้ก็มีวันนี้จะเทส น, น้นตั้งใจเทสวันก็วันตาเท่ า, น, า, ทานั้นไม่จะเทสปีนึงไม่จะเทมเทสกะเทสตั้งนอกสภาเรา หองแห้งไม่ได้ฟังวันนี้เป็นจะฟังธรทุกวัดมั้ะสามคนขอถวายทองคบาทเจ้าค่ะอะไรสาบาทครับคุะบาทครับทองคำสามบาทครับระบาทเจ้าค่ะคนเจ้าค่ะ้หก็เอามาไอ้เก็บไว้จะที่นี่มาหนึ่งบาทสามบาทเข้าคลางหลวงง เราพยายามหาสมบัตรเข่าควาหลงนานี้หายังออกหน้าออกตาจริงไม่อายใครขอเรื่อยทองคำก็ได้ท่หนึงหมนึ่งกว่ากิโลทองคำลองนะใช่หนึ่งกว่ากว่าเท่าไรหนึ่งหมกว่ากิโลไปมากจอน่ล้านได้ส0ล้านกว่า1ิล um ้านสอง0สนกว่าตอนนั้น ดึงเงินดอลลาร์ออกช่วยเงิยดนามช่วยช่วยโลกเอาไปนะเอาหวยมันไปหวยมันไปเอาจ้าหองมันไปมันจะไปไหน่อยมันไปเอาลองไปดูมันมาตามภาษามันเอาไปซุ้อไปมันไปมงไปไปไปตามภาษาน่ารักปุ๊บพอลงมาลงรถมาจอดปั๊บเปิดประตูปั๊บโดดขึ้นเลยนะสามตัวสี่ตัวปุ๊บเลย มันเคยพอลงพอจอดรถป้ามันทำบิงมาเลยปุ๊บมันพอเปิดประตูป้าปุ๊บขึ้นเลยขึ้นตอนนั้นขึ้นนีเนี่วิ่งเบนผ่านเบน่านเบนผ่านเป็นเดียวลงมาลงมาแล้วเดียวขึ้นอีกเอ้านาราคือนา่าฮะมั่งรูแต่นี่พูดอลไไม่ฟังนั่นไม่แล้วไอ้นี่ก็นารานี่นี่ละตัวขึ้นรถเก่ง เป็นคู่ขึ้นคนนี้ขึ้นมันยังเป็นหมาน้อยอยู่นะมันยังกําลังดื้อกำลังสนถ้ามันโตกว่านี้มันสงบเองแล้วเดี๋ยวนี้กําลังเป็นหมาน้อยยู่กำลังดึ้อกำลังสนเหมือนเด็กพอร้อนมาจอดปลาเปิดประตูปลาปุ๊บขึ้นเลยนาะขึ้นไหลขึ้นขึ้นเต็มวิ่งปุบนวิ่งพี่เป็นบ้านเดี๋ยวลงมาลงมามองกัไปกลับขึ้นอีเนี่ย มันกำลังเป็นหมาน้อยอยู่มันยังไม่ใหญ่มันเป็นหมาน้อยกออตวกว น, นี้มันก็สงบเองมันเป็นหมาน้อยอยู่เออกอใจเ อ, <ข>อเอาเอาเงินมีร้ยอยลแสนเอา เ, เ, อาเข้ามาขออนุญาตพ่อแม่ครูอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ลูกได้บวชแล้วก็ตั้งใจจะลูกบวชวันนี้ขอตั้งสัจจะปฏิญาณ ในการบวชครั้งนี้เ<ล>พื่อเธอทูลบูชา<ล>พูปภรัตนาใจพร ะ, ะพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์และในชีวิตในการบวชครั้งนี้ขอเป็นทาสรับใช้พระพุทธศาสนาตลอดชีวิตของลูกบัดนี้การบวชของลูกงานทั้งหลายได้จบสิ้นลงจากหัวใจของลูกสิ่งที่ลูกจะทำต่อไม่มีนอกจากงานพระพุทธศาสนา ลูกจะขอเทิดทูนบูชาพระคุณของพ่อแม่ครูอาจารย์และปฏิปทาตลอดจน พ, รรพัฒน์คำสอนจนถึงขั้นทำฟ้าถินขลมของพ่อแม่ครูอาจารย์ลูกจะขอยึดเป็นหลักปฏิบัติและประกาศคำคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ตามเจตนาที่พ่อแม่ครูอาจารย์ได้เคยเมตตาต่อลูกมาลูกจะขอรักษา ้อทำคําสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อชีวิตของลูกลูกไม่มีอะไรสงสัยในธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์ <c oughs> จนกระทั่งลูกได้ปฏิบัติตามด้วยการสละชีวิตของลูกลูกเอาชีวิตสละเพื่อแลกธรรมฟ้าดินขรุขระของพ่อแม่ครูอาจารย์จนบัดนี้ธรรมฟ้าดินขรุขระของพ่อแม่ครูอาจารย์ได้มาเป็นอันเหมือนอันเดียวกันกันกบหัวใจของลูกพิเนธ ทั้งน้อยใหญ่ภายในหัวใจของลูกเออเอะไรเข้าใจแล้ว น, นั้นพอ <c oughs> พ่อแม่ครูอาจารย์เจ้าค่ะลูกหวดครัง้งนี้จะต้องทําอะไรบ้างเจ้าค่ะต้องรับสิงนีนด้วยเดี๋ยวมันถามบอกแล้วพูดแล้วว่าหาจงใช้มาถามหาอะไรให้ทําอะไรอีก <c oughs> อ้าวฉันที่ดีโกวพุทธยาประกาศปัง้งขึ้นมาแล้ว อ, อ, องค์ไหนอยู่ไหแม่ที่สุดพระอัญชนาภิคุ <c oughs> จะเข้าไปทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าเวลานั้นธรรมะขั้นสูงกําลังหมุนอยู่ภายในพอไปถึงนั้นฝนตกก็จะเข้าขึ้นเฝ้าพระพุทธเจ้าขึ้นไม่ได้ฝนตกฝนน้ํำขังบนใจคากขาข้าขงล่างมันตกหยดย้อยลงมาตั้งเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปดับไปตั้งคิพิจารณาถึงเรื่องความปวดความดับของจิตสังขารมันคิดดีที่ชั่วที่นะ่ะบรรลุธรรมปึ่งในเวลานั้นพระพุทธเจ้า พอฝนตกหยุดกลับเลยไม่ต้องไปทูลถามพุญเจ้านั่นนันลลัษณ์ที่ดีโกแล้วจะให้ทําอะไรอีกหนึ่งนันที่โกอะไรนั่นนี่ก็เหมือนกันนี่ก็ไม่เคยถามใครตั้งแต่วันฟ้าดินถล่มแล้วจนกระทั่งป่า น, นี้ก็ไม่ทูลถามพูดแล้วสาตุแม่บุญเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามอมืแต่ว่าอะไรจะไปถามใครมันขนาดนั้นนัลลันณ์ที่ดีโกแจม่มแจ้งขนาดนั้น ดวงใดปึงเข้าถึงใจดวงใดแล้วขาดสะบั้นไปเลยันทีโกตีขาดสะบั้นไปแล้วหายสงสัยเลยนั่นปะรสัทธาใหญ่ฟเทศวดีเข้าใจเปล่าะอ่าเทศแยกทั้งพระคาวะเทศาเนี่ั้โบห้าน่วแต่ว่าเทศดามาวันเหนื่อยจะโทษเอาเราในเจ้โห้าจริง แล้วด้ลั ก, กทุกตัวล่ะมาเราบนรลักหมาเพราะการท่านเพิกจะาหมามาจากบืงชนมาให้ถ้าเราจะเอากลับเอาวาสักกี่ตัวให้บทถ้าเราแวาไปแม่ว า, าก็เอาคืนแต่ ล, ล, ลให้ความสะดวกเห็นเราเจ้าหมาเล่นกับว่าหลืขอนหมามาให้ดูเบืองชนหมาคงบทได้ละ <laughs> ก็ขนมาใจเราเลยวล เราจะว่าได้วถามดูเบื้องันมีมาตรกตัวเวลาดีนะงั้นเราไปแล้วเอาว่าละพาะก็อะไรเนาะทุระห้าสบเก้าเดนห้าสิแล้วครับครับเดนพระหเ็ดน้นหนึ่งเป็น58าสแน่นอนาแเลยเรากำโดดให้เพียงห0สนี่เราไปกรุงเทพมันขโมยเข้ามาอยู่านจิตใจก็ไปสรางจะว่ากัน เคยลับประวถือค่าิ8ธรรมดาเรากำโนดได้รับเพียง50อันนี้มันเลยละตอนจะเข้าภาษาเราไม่อยู่ยไม่กระมาตอนนั้นละแต่เดี๋ยววันนี้ไม่เหนื่อยชั่วโมง5นาทีไม่เห็นเหนื่อยอะไม่เห็นเหนื่อยเลยวันนี้ชั่วโมง5นาทีโคจะตายจัไม่รู้เลยน <laughs> ะว่ะาธรรมดาไม่ได้บอกไว้ นี่เราก็รู้แล้วว่าดีใจแล้วเราก็ทนแ บ, บใกใช่ไหมจ้จจะสลบทลายอจบเลยแล้วะววโอ้มุกไกกูมุกไก่กูามกกกูไปมุ ก, กไก่กูไป ก็เกลี่คู่เขาอย่างเงี้ยกับบมาใกล้ใกล้เศ้แล้วเกลียคู่เขาเข้าๆก็จะมือหมามันแค่แก่หัวเข้ากับกลมก็ขอเขาไปยากเลยเขาไปตามทางหมามันเจี่ยวลไปถึงแล้วก็แค่้ค่ก็แค่หมาไงเข้าไปแล้วจากนั้นก็มีเสือค่อยๆะเสือไปเสือหมาเสือยากับหมาเร็วทุกทุกแล้วโค้งไมี ก็ู่ปาคเอโกแ่จับผู้บาหัวของโกเบเราอยู่ข้างแล้วจับผูดไข่เจียเขียวก็ก็เหาไปขึขาแล้วยังเ่ากลับไปไงมึงเห็น มึงรู้ว่กูไปมาลยมึงรู้ไหมยิ่กกูพูดกอดามึงรู้ไปมว่ยิกกเกกาะเไปถือการมึยังเอากับมืออ่มึงเอามายิ่กบยิเขากันมากย่มาเายังไ่ใช่ข้ามาไปที่รายการเอาไปเลยก กิอย่ว่าไอ้เจ้สมรักย่ะไมามามาหาเรามาหาไอกกแก่กแก่ขันยาวใ่มางาโกกเนี่ยพอมไปว่าสมสมแล้ว่าหเาาแล้วลก็ไปยจะก่าหมากับปอบปอกัอบปอบปอบปอบปอบปอบปออบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบออออ เราไ้เรกระชางมันวิ่งผ่านไปแล้วไ่ายๆเราก็มะไปพูดหรือมาก็ยิ่งเยอะเพราะว่าคงยิ่้เราก็ไม่พูดแล้วเฉยเฮ้ยอย่างอื่นยังได้แล้วจะวี่งแต่การมาก็เรื่องก็มาสอเปันหู่เราเราก็เฉยสอน้ามากอื่นอ่ะสอนเจ้าอยู่หน้าคำท้าแก้แก้วมีไรก่งอันโกทนครับ ก็ขายก็ผู้น้อยอยู่ผู้ใหญ่ก็เลี้วใหญ่กว่าอ่ากอพอบางว่าบาดแค่ก็บอกไปมืบาดคกู้ว่าลงมาจากภูเขาลงมาอยู่บ้านพระกระพูว่าพอบางบาดเรขบางอาจารย์ไม่ทราบแปลงไหนบางอไรเง้อย่างอื่อะไรหาที่เจาะจิ้มไปได้แต่ก็บาไม่ทราบแปลงไหเราก็เฉยเฉยเฉย กทำตัวเฉยๆอยูวันที่ใช้เราชอบว่าเรื่อะรก็หาที่จะมมาได้แต่ตัว้าก็ไม่ทราบไปเอาใหกับเราเราก็เฉยทราบไม่ทราบอยู่มันเส่อ์ชจากใจร่อมาไปรักแต่ไม่ยอมรักเราไม่ต่อเลยแที่เป็นแลกอง ไม่สบายมึช่าไปชาเปอะไรเปยนบังการกับกอก้นนปวดปวดกล้ามก็ะดูกต่ควายรก็เช่นตอนนั้มึนเอายาอะไร่่ะถ้าธรรมาถ้าเอายาก็จะสัญยาพาราเซตามอลปวก็ปวดหายอ่ะปวหายไอ่รืออะโดยเฉพาะกล่ามกล้ามสี่โบว์้าง ถึงมองเหงยาวโอ้ยยามันหาย่สารไล่ันายอ่ะมันไปซื้อยาไยากโอยาไ่ไปซื้ยังไม่เห็นกลับมานสักไปไปไปยืมยาใ่หรอคือคู่ซื้เรื่อง่ืองะไม่มียาติดยาแม่แม่ก็ย ยังยาป้ปาก็ซักกันเลยที่อยู่ิับพอแม่หุเอ า, ายาให้พระเอ า, ายาไม่ใสยย่ก็บอกไม่ใส่กลับคุณไปกลับมาคือเอามาให้เลยต่ดไมเ้เองอยงไมันรู้่มันถึงไม่กลัวย า, า, าเอายาที่เมืองสวัสดิ์สู้ไปได้ใช่ว่าเอาไลใส่เอาก็ใส่เพราก็ัวการพอใส่เสร็จแล้ว ก็กำลัปางนีไม่เคยถามกันเลเรื่อง ย, ยาไป็นอใครก็ไปถามเราก็ไม่ถามแต่อ่ะประกอบไข่ไปเรียนสูนะโอ้ยข้าว่าอยู่ที่เดียว่ก็ได้แต่นอะวัอยู่ที่เดียวที่ออกไปก็เป่งออคไปก็เป่งอยู่เลยคือเขายยู่กที่เดียวก็ไม่เป็ น, น, กออกนปเป็ น, ออนป เ, ปนออนปเปนยแล้วนะ ก, ก, ก็หาย ไ, ไ, ไม่เป่งใหญ่ Fields ไปได้ มันคงว่ายูจากฝูกลายเนี้ยยูไข้ไปเรื่ยไขยออกกันนี้ไปเรื่อไข่อื่ออกหายไปก็กรว่าสารจะอยู่ที่เดียวได้เลยไปหายก็ไปเร็อยู่แต่นี้ยไข้เรื่อยขงไปยอย่างนี้บางกระวไม่เคยเสกะไม่ไม่เคย ไข่าเียมันจะเปลต่าอ่ี้ก็ตางงหายออกไปเป็นอีเอาอี่้ยไม่หายโอไม่ไม่อยเงี้ยก่างไงอย่างไปดแต่ว่าลบกลับกลได้อ้ะว่างสองค่อย่าง้อ่างเ้ออาอานค่ะอกานอ่านงซื้อ อ่านนสืองานศพอาจารย์ชิดแล้วแล้วคึัอ่านหนังสืองานศพของอาจารย์ชิดแล้วคกคักมากขอาจารย์ัชิดนชิดนะชิดะชิดอ่าแล้วึคักานศพอ่านหนังสืองานศพหนังสือที่รื่งงานศพใครก็แก่ก็ก็รวบรวมกันเขียนนะท่านทีระนาถมหาทีรนาถเขียนจ้ะค่ะ ท่านท่านไปไหนฮะตท่านตามพวกนนอาจารย์ท่านตามท่านแม่คอาจารย์ไปได้เรอฮะอาจารย์ชิดนะคะท่านท่านภาวนาดีคว่าอยู่ท่าชิดนะะถามตรงไปเลยไม่ต้องอ้อขอเลย คะดีมากชินไมฮะเพะว่าท่าานผานเฉียดตายตั้งหลายครั้งก่อนอเอฟ้าพพระานีวี่กอาวัวตาวัไปวไก่าไรบ้างนไปไหนฮะอะไรมันนาแล้วไปไหนฮะ ไหลถ้าเราภาพไปไหนเป็นบ้าเลยเอาละนะเลิกกันละไปมีอะไรอะไรเลิกกันละนานแล้วเหนื่อยมาตั้งแต่หกโมนี่สองช่วโงกว่านั่งเอาละจะให้ซื้ออ่อเลย เอาว า, อ า, างถ้าไดให้พอได้ไหไปอิทิตังปฏิตังตูหังทิปเมวะสมิจาโตสาเพกูเรตูสังกบปาจันโทปนะระโสยถาวริโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวะฌานตูสัพระโลโควินาสตุวมาเตภาวัตมันตราโย สุขีทีกาย่โกคะวะอภิวาทนาสีนิสันิจัพุทธาพระเจ้ายีโนจตตาโรธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลาละเาลิกกันดีเลิกกันโตเลยไปละก ว่าผู้นี้คนจะมาอาจารย์จะจะหละจินะเพราะภาษาเขาภาษาอะไรวันนี้แต่ได้เภาษาเนี่นาาควรจะลดลงลดล ง, ลงภาวะ น, วนี้ภาวนาตลอดนะภาวะปัจจุัดเราไม่ได้ลดระยะนะเสบือตลอดะนะพราะกานไปเห็นภาวะไหนที่มาแฝงกันเข้าก็สนิทใจสนุนใจโอ้สาเป็น นี่ถึงจะมากขนาดไหนโค้งเส้นโกวานาได้เราครอบอยู่ตลอดเวลาประมาณได้เการปฏิบัติของพระเก่งเสมออยู่ตลอดเวลานั่นจะผ้าบ้าผ้าร้อยก็ต า, ามก้อผ้าก้อนเพีย้ยนก็เสมอเฮี่ยที่ดีใครเข้าไปก็ได้แล้วห้ามเองติดเลยทุเรศห้ามเข้าห้ามเข้าห้ามเข้าใครไม่เข้าหากว่าจะเป็นที่จะเข้าเก่ก็ให้พ้านำแต่เข้าไปดู สัรมนาเข้าไม่ได้ทั้งหญิงทั้งชายห้ามเลยเข้มงวดกฎการตลอดเวล า, า, า, า, า, าวัดเราเสมอต้นเสมอปจะมีบ้าเพียรได้เราไป็คนดูแลตลอดอดออไม่ได้ใส่ผ้วเลยดีไม่ดีไล่หนีเนี่ยมันธรรมดาไอะได้เวลาบันเด็ดประเด็ดอย่างนั้นได้แค่จะไม่มีโอ้ไก็ไม่มีอ ะ, ะไร เอาาเิกเลิกให้ดิไปละเาเลิกกันเลิกกันเรากันจะไปละไปไปไไปก็คันเหนื่อยล